มงคลทีปนีแปลยกศัพท์ข้อที่ห้เรื่องพระสุธาปินทิยาเยระกีระได้ยินว่ากุลบุตรตอันว่ากุลบุตรเอโกคนหนึ่งปุริมะพุทธเทสุกตาทิกาโรผู้มีอธิการอันกระทําแล้วในพระพุทธเจ้าผู้มีในก่อนทั้งหลาย อุปาจีนันโตเข้าไปสังสมอยู่ปุญญานี้ซึ่งบุญทั้งหลายพระวีในภพตัทะตัทะนั้นนั้นนิพพะโตบังเกิดแล้วกุลเคเหในเรือนแห่งตระกูลกาเลในการเพคะวะโตแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสิทธัตถะพระนามว่าสิทธัตถะเพคะวติ ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าธรมาเีส่งพระชนอยู่อาศักกลโตไม่อาจอยู่กาตงเพื่อนกระทําบุญยงซึ่งบุญพระควติครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพุเตปรินิพพานแล้วประโยครวบตัสสะอัญยบดพระควโตเจติยะธาตุคเพ ครันเมื่อห้องเป็นที่บรรจุซึ่งพระาธาตุในพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอัญมบทมหาชนีนะอันมหาชนกะรยมานีกระทําอยู่อาาสิได้ให้แล้วสุธาปินทางซึ่งก้อนแห่งปูนขาวเอกังก้อนหนึ่งอันตรในระหว่างปริเฉทานังแห่งแผ่นอิดทั้งหลาย อุพินังทั้งสองโจประโยคโสอัญญบทตรกุลปุตโตอันว่ากุลบุตรนั้นสังสริตวาท่องเที่ยวไปแล้วเทวมนุษย์เสสุเอวะในเทวโลกและมนุษย์โลกทั้งหลายนั่นเที่ยวจตุณนนะอุติกับปานิสิ้นกับ94ทั้งหลายนิพระโตบเพิงเกิดแล้ว อุละเคเหในเรือนแห่งตระกูลเอกสมิงหนึ่งพุทธุ ป, ปาเทกในการเป็นที่เสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าอิมัสมิงนี้ปัตวาถึงแล้ววินยุตังซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้แจ้งโดยปกติพระศีทิตวาเลื่อมใสแล้วสัตริในพระศาสดาปัพชิโตบวชแล้วอระหาเป็นพระอ า, าัน อโหสิได้เป็นแล้วนะเจรสะเอวะต่อการไม่นานนั่นเทียวบุญยกรรมเมนะเพราะกรรมอันเป็นบุญเตนะนั้นเจประโยคโสอัญญบ ท, ทียโรอันว่าพระเถรานั้นปัญญายิทธะปรากฏแล้วอัญญบทนามเมนะโดยนามว่าสุทาปินทิยเถยโร อันว่าพระเถรราชื่อว่าสุทาปินทิยะอิติดังนี้จ้ประโยคโสอัญโยบทสุทาปินทิยะเถรโรอันว่าพระเถรราชื่อว่าสุทาปินทิยะนั้นประกาศเสนโตเมื่อประกาศปุพพจริตาประทานังซึ่งความไม่ขาดสายแห่งความประพฤติในการก่อนอันตโนของตนอมภาสีได้กล่าวแล้ว คาถาซึ่งคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าอัญมณีบทปุญญังอันมับุญอัญญบ ท, บญญบญญญบทปุคละสะของบุคคลปูชิยโตผู้บูชาอยู่อัญมบทปุคขเลซึ่งบุคคลทั้งหลายปูชาระเหผู้ควรซึ่งการบูชาพุทเทอัญมณีบทจะคือซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยญาติจะสาวเกจะ หรือว่าคือซึ่งระสาวกทั้งหลายด้วยปาปัญจสมติ ก, กันเตผู้มีธรรมเป็นเหตุเนื่อช้าอันก้าวล่วงแล้วได้ดีตินนสโกริทธเวผู้มีความโศกและความร่ำไรอันข้ามแล้ววงได้เปิดเกณจิอันใครใครนสัส ก, กาไม่อาจสังขาตรงเพื่อนับว่าอิมัง เอตังปุญญังอันว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้อิติดังนี้ปิดวงเล็บจะประโยชนอภิหนึ่งปุญญังอันว่าบุญอัญยบรถุคุละสะของบุคคลผูชิยโตผู้บูชาอยู่อัญยบทถูชาระหะบุคเลซึ่งบุคคลผู้ควรซึ่งการบูชาทั้งหลายเตเหล่านั้น ตาทิเสผู้คงที่นิพุตเตผู้ดับแล้วอากูโตพเยผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนเกนจิอันใครใครนะส ก, กาไม่อาจสังขาตรงเพื่อนับว่าอีมังเอตังอัญญบทบุญยังอันว่าบุญนี้อันมีประมาณเท่านี้อิติดังนี้จบประโยคจากอันหนึ่งโย อั ญ, ญบดุบุคโลอันว่าบุคคลใดอิทะอั ญ, ญบทโลกเกในโลกนี้อั ญ, ญบดุบุคพลังยังบุคคลการเยพึงให้กระทําอิสรังซึ่งความเป็นใหญ่ที่ปานังแห่งทวีปทั้งหลายจะตุนนางปิแม้ทั้งสจุลภาคเอตังหงเลเปิดตัดสะบุคลสะสะสกลังทนางหงเลปิด อันว่าับทั้งสิ้นของบุคคลนั้นนั่นณัคนคะติย่อมไม่ถึงค่ากำลังซึ่งเสี้ยวโสละสิงที่ 16. บปูชนายะแห่งการบูชาเอติสานั่นจบประโยคสุทาปินโทอันวาก้อนแห่งปูนขาวมยาอันข้าพเจ้าเจตสามีใจ วิปัสสันนี้นะอันเรื่อมใส่แล้วทินโนให้แล้วอิทกันตตเรในระหว่างแห่งแผ่นอิดเจติเยในพระเจดีสิทธัตถะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธะนรักษะผู้เริศกว่านะราจบประโยคอัญญบทอาหังอันว่าข้าพเจ้าอังกริงได้กระทำแล้ว กำมังซึ่งกรรมอย่างใดตะดานในการนั้นจุลภาคอัญญบทอาหางอันวังข้าพเจ้าณอภิชานามิย่อมไม่รู้ยิ่งทุกขติงซึ่งทุกขติกบับเปตลอดกับทั้งหลายจจตุนาวุเต94อิโตอัญญบทพัฒกับประตแต่พัฒรกับนี้อัญญบทเตนะ อันยบดกัมเมนะเพราะกรรมนั้นเจลภากอีทางอัญญบทพลังอันว่าผล น, นี้ปฏิสังขาระพลังเป็นผลแห่งการปฏิสังขร อ, อัญญบดหติย่ำเป็นเจ้ประโยคกรปามหิในกับติ้งเสวะที่สาบเทียว อ, อีโตอัญญบดพัฒกับประตแต่พัฒกับนี้ อัญมบทมายังอันว่าเราทั้งหลายปฏิสังขาระสวั hya สัตตรัตนะสัมปั น, นาจักวัติโนเป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่าปฏิสังขารผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยรัตนเจตอัญญณีบทอหุงหาได้เป็นแล้วอัญญบทชาติโยสิ้นชาติทั้งหลายเตระสัติบสามุลภาค อเมอัญโยบทธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้จะทสโสปฏิสัมพิธาอัญโยบจักคืออันว่าปฏิสัมพิธาทั้งสี่ด้วยอัฐาวิโมขาปิจะคือแม้อันว่าวิโมกทั้งหลายแปดด้วยฉลพิญญาอัญโยบจักคืออันว่าอภิญญาหกทั้งหลายด้วยอัญญบทมยาอันข้าพเจ้า สัจจิกตากระทำให้แจ้งแล้วชุลภาคศาสนาอันว่าคำสอนพุทธศะของพระพุทธเจ้าอัญมบทมียาอันญฆบเจ้ากระตังกระทําแล้วอิติดังนี้เจ้าประโยคข้อที่60โยชนาอันว่าโยชนาว่าเปิดเล็กในอัญญบท อโถอันวา่นวาดว่าพุทธปัจเจกพุทธสาวกาจริยุปัชายมาตาปิตุครุอัธโยอัญญบทปุคลาอันว่าบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกและอาจารย์และอุปชาและมารดาและบิดาและครูเป็นต้น บูชารหานามะชื่อว่าผู้ควรซึ่งการบูชาจุลภาคปุญญงังอันว่าบุญอัญมบทบุคลาสะของบุคคลปูชี้โตผู้บูชาอยู่เตอัญมบทบูชาระเหออัญมบทบุคลเลซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ควรซึ่งการบูชาเหล่านั้นมาลาทีปะทูปะคันธาพระณะเจตุ ปั จ, จยาทีนี้อัญญบทสกาเรหิอัญญบทจะด้วยสการะทั้งหลายมีดอกไม้และประทีปและทูปและของหอมและเครื่องประดับและประจัยสีเป็นต้นด้วยอภิวันทนาทีหิอัญญบทสามีจิกเมหิจะด้วยสามีจิกรรมทั้งหลายมีการอภิวาเป็นต้นด้วยวงเล็บเปิด เกณจกิอันใครใครนะสา ก, กาไม่อาจสังขาตุงเพื่อนนับคงลิปิดอิติดังนี้ตถาอัญยบทเปเทสุปูชาระเหออิติอัญญบทปทศักแห่งบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบทว่าปูชาระเหอดังนี้อิติดังนี้เจประโยคอิธานี้ในการนี้อัญยบทเถโร อันว่าพระเทระอาหากล่าวว่าประโยครวบพุเทอิติอาทิงอัญญบทวชนังซึ่งคำมีคำว่าพุทเทดังนี้เป็นต้นทัดเสตุงเพื่ออันแสดงอัญญบทุคะเลซึ่งบุคคลทั้งหลายปูชาระเหผู้ควรซึ่งการบูชาอุกกะปริเฉทวเสนะ โดยสามารถเห็นการกำหนดซึ่งบุคคลผู้ควรซึ่งการบูชาชั้นสูงสุดจอประโยคอัญญบทอโถอันวาดว่าสัมมาสัมพุทเทจะซึ่งสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยปเจกับพุทเทจัซึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอัญญบทิิทังนี้ประโยครวบตถาอัญญบทเทสุพุทเทิติอัญญบ ท, ทัศ แห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบทว่าพุทเทอิติดังนี้เจ้าประโยคอัญญบดอัโถอันว่าตว่าอาทวาหรือว่าอัญญบดอิติดังนี้อัญญบทสัทธะแห่งศัพท์ว่ายะิจะดังนี้เจประโยคอัญญบดอโัโถอันวาตว่าสมติกันตะตันหาทิฏิมานะ ปปันเจผู้มีธรรมเป็นเหตุเครื่องเนิ่นช้าคือตัณหาและทิฏฐิและมานะอันก้าวล่วงแล้วด้วยดีอัญญบทิติดังนี้อัญญบทคาถาปทัสสะแห่งบาทแห่งพระกาถาว่าปปันจับสมะติ ก, กันเตอิติดังนี้จบประโยคอัญญบทอัทโถอันวาดว่าตินเนผู้ข้ามแล้ว ตินเนคือว่าอติกันเตอติกันเตผู้ก้าวล่วงแล้วโสกับริเทเวซึ่งความโศกและความร่ำไรทั้งหลายอัญญบอิติดังนี้อัญญบทิคาถาปัสสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าตินณนโสกับริเทเวอิติดังนี้อัญญบทเถโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่า ประโยครวบเตตาทิเสอิติอาทิงอัญญบทวจนังซึ่งคำมีคำว่าเตตาทิเสดังนี้เป็นต้นถ้าเสตุงเพื่อนแสดงว่าเปิดเลขนในอัญญบทบุอญยญังอันว่าบุญอัญญบทบุกรละสะของบุคคลปูชิยโตผู้บูชาอยู่พุทธาทโยอัญญบท ปูชาระหะปุคาเลซึ่งปูชาระหะบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรมาเนผู้ทรงพระชนอยู่วงเล็บเปิดเกณจิอันใครใคณสักกาไม่อาจสังขาตุงเพื่อนนับวงเล็บปิดเกวังเอวะอย่างเดียวนั่นเทียวนะหามิได้จุลภาคนโยอันวนาในปุญญสมิงปิด แม้ในบุญอันยบดุขคลษะของบุคคลปูชยโตผู้บูชาอยู่ปรินิพุเตอัญยบดุพุทธาทโยปูชาระหะปุคขเลปิซึ่งปูชาระหะบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นปูปรินิ พ, พานแล้วก็ดีเปรียกรวบเตสังวงเลเปิดพุทธาทีนังปูชาระหะปุคลานัง มุลปิดิเจติยปติมาทะโยอัญญบทปูชนียวาวัตถุธรรมปิซึ่งวัตถุธรรมอันบุคคลพึงบูชาทั้งหลายมีพระเจดีย์และพระปฏิมาเป็นต้นของบูชารหับุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นก็ดีเอโสเอวะนีนั่นเทียวอิติทั้งนี้จบประโยค อั ญ, ญบุตรอัฏโธอันว่าว่าพุทธาธิเกอั ญ, ญบุตรบูชารหะบุคเลซึ่งบูชารหะบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอั ญ, ญบุตอิติดังนี้ประโยครวบตถาอั ญ, ญบุตรปฏิสุเตอิติอั ญ, ญบุตรปทัสสะแห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบทว่าเตดังนี้จะประโยค อัญญบดัทโถอันวาดว่าตาทิคุณายุตเตผู้ประกอบแล้วด้วยคุณของบุคคลผู้คงที่ยาถาวุตตะคุณะวเสด้วยสามารถแห่งคุณอันพระเถระกล่าวแล้วอย่างไรอัญญบอิติดังนี้อัญญบทิปัสสะแห่งบทตาทิเสิติดังนี้เจประโยคัทโถอันวาดว่า นิพุเตผู้ดับแล้วราคาที่นิพุติยาด้วยความดับแห่งกิเลสมีราคาเป็นต้นอัญโยบทิติดังนี้อัญโยบทศสะแห่งบทว่านิพุเตอิติดังนี้เจ้าประโยคพยะยังอันว่าไัยกูโตแต่ที่ไหนกูโตคือว่าเพราะว่าโตวาอารามณโตวาจุลภาค เะโตวาแต่พบหรืออารามณโตวาหรือว่าแต่อารมณ์นาทียังไม่มีมองเล่เปิดปูชารหะปุขลาหนังแก่ปูชาระหาาาระบุคคลทั้งหลายพุทธาทีหนังมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นองเล่เปิดเอเตสังเหล่านั้นอิติเพรนั้นองเล่เปิดเอเต พุทธาธโยปูชาระหะปุคลาองค์ปิดอันว่าปูชาระหับุคนทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านั้นอากุโตพยาชื่อว่าผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนจประโยคอัญญบทอัโถอันวาดว่าองค์เปิดปุ ญ, ญ่ังอันว่าบุญเกนจิอันใครๆ องค์ลปิดนาส ก, กาไม่อาจสังขาตุงเพื่อนนับสังขาตุงคือว่าสังขังกาตุงสังขังกาตุงเพื่อนกระทําซึ่งการนับสังขังกาตุงคือว่าแคเนตุงแคเนตุงเพื่อนคํานวณสตะสหัสสาทิวเสนะโดยสามารถแห่งจํานวนมีร้อยและพันเป็นต้นว่า อิมังอัญยบทุณยังอันว่าบญนี้เอตกังมีประมาณเท่านี้อิติดังนี้อัญยบทอิติดังนี้อัญยบทัศษะแห่งบทว่าอิเมตตังอิติดังนี้จะประโยคอัญยบทอัทโถอันว่าว่าเกนจิอันใครใครเกนจิคือว่ามหานุภาเวนาปิปุกคเลนะ สุลภาคปุกเลนะอันบุคคลมหานุภาเวนะอปิแม้วู้มีอนุภาพมากอัญญบทอิติดังนี้อัญญบทัศษะแห่งบทว่าอปิเกีนะจิอิติดังนี้จะประโยคว่าอีกอย่างหนึ่งอัญญบทอัโถอันว่าเนื้อความว่า ตีรณธารณะปูระะวะสีนะตีสุมาเนสุเกนะจิอปิมานนนะด้วยในการนับทั้งหลายสามโดยสามารถแห่งการวัดและการชั่งและการตวงหนาการนับแม้ไ ร, ไร่อัญบทอิติดังนี้ชบประโยคนยักษ์คาโหอัลมาการถือเอาซึ่งในว่า อีทางอัญมบทวัตถุอันว่าวัตถุนี้อตะกัางอันมีประมาณเท่านี้อิติดังนี้ประโยครวบตะทาอั ญ, ญบทีสุอัญมบทมาเนสุตีระนังนามะชื่อว่าเป็นในการนับทั้งหลายสามเหล่านั้นหนาการวัดจุลภาคตุลาขณะน า, นาอันว่าการนับด้วยตาช่างทาระนังอิติ ชื่อว่าการช่างอัทถะสตานาริกาทีสุอัญญบทปูรณีสุอัญญบ ท, ญญบทวัตถุงปูเรตวาขนานาอันว่าการยังวัตถุให้เต็มในวัตถุเป็นเครื่องตวงทั้งหลายมีกึ่งแห่งฝ่ายมือและฝ่ายมือหนึ่งและขนานหนึ่งเป็นต้นแล้วนับปูระนังอิติชื่อว่าการตวงชประโยช์ อิธานี้ในการนี้อัญญบทเถยโรอันวาพระเถระอาหะกล่าวแล้วจจตุ น, นังปิจะทีปานังอิติอาทิงอัญญบทวจนังซึ่งคำมีคำว่าจจตุ น, นังปิจะทีปานังดังนี้เป็นต้นที่เปตุงเพื่อนแสดงปูชังซึ่งการบูชาต่างนั้นชจประโยคอัญญบทอโถอันวาตว่า มหาทีปานังแห่งทวีปใหญ่ทั้งหลายทวีสหัสปริตตทีปะปริวารานังอันมีทวีปน้อยอันมีพันสองเป็นประมาณเป็นบริวารอัญญบทิติดังนี้ประโยครวบตัทะอัญญบทเทสุทีปานังอิติอัญญบททศะแห่งในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบทว่า ที่ปานังดังนี้โจประโยคอัญญบทอัโถอันวาดว่ากาเรยะพึงให้กระทําอิสรังซึ่งความเป็นใหญ่อิสรังคือว่าจักรวัติรชังจักรวัติรชังซึ่งความเป็นแห่งพระเจ้าจักรพรรดิสกลจักกวาลคเพในห้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้น กต ว, วากระทําแล้วทีเปซึ่งทวีตทั้งหลายยถ า, าวุตเตอันอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วอย่างไรเอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันอัญญบอิติดังนี้อัญญบดิปัสสะแห่งบทว่าอิสรังอิติดังนี้จ้ประโยคอัญญบดิอัทโอะอัญวาตว่าธ น, นางเงินว่าทรัพย์สรักระังทั้งสิน้นสัต ตะระตนาที่กังอันมีรัตนเจ็ดเป็นต้นสักรทีเปในทวีทั้งสิ้นเอตังนันวงเลเปิดณนะอัคคติย่ำไม่ถึงข้ากำลังซึ่งเสี่ยวโสรสิงที่16หวงเลปิดปูชนายะแหงการบูชาสุธาปินเทในพระก้อนแห่งปูนขาว เอกัสมิงก้อนหนึ่งท่าตุคเพในห้องเป็นที่บรรจุซึ่งพระธาตุเจติยาในพระเจดีย์อัญญบดีอิติดังนี้อั ญ, ญบดีคาถาพาัสสะแห่งบาทแห่งคาถาว่าเอติสาปูชนาเยตังอิติดังนี้จ้ประโยคอั ญ, ญบทอัโถอันวาดว่าณนะอคติย่อมไม่ถึงข่า อัญญบทกำลังซึ่งเซียวโสละสมะกดถาสัส ะ, สะแห่งส่วนที่16วิภมีพัฒน์สะอันบุคคลแบ่งแล้วโสรละสาวาเรสิ้นวาระ16ทั้งหลายโสรละสักขตุงสิ้น16ครั้งเจติเยกระตะ บ, บูชายะแห่งการบูชาอันบุคคลกระทำแล้วในพระเจดี อัญญบทิติดังนี้อัญญบ ท, ทัศษะแห่งบทว่ากาลังอิติดังนี้เจ้าประโยคอัญญบทอัโถอันวาดว่าสุทากามีครันเมื่อกรรมอันบุคคลพึงกระทําด้วยปูนขาวมหาชนีนะอันมหาชนกริยามาณีกระทําอยู่เจติยะาตุครับพามหิ ในห้องเป็นที่บรรจุซึ่งพระธาตุในพระเจดีย์พระคุวะโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิทธัตถะพระรามว่าสิทธตะอคษาพเลิศอคษะคือว่ า, ศาเศรษฐะผู้ประเสริฐที่สุดนารานงกว่านารกทั้งหลายอั ญ, ญบทอิติดังนี้อั ญ, ญบดปทัตถะแห่งบทว่านารคขศะอิติดังนี้ อัญญบดอัฏโธอัญวาฏว่าเวมะเชในท่ามกลางปริเฉทานังแห่งแผ่นอิทั้งหลายอุพินนังทั้งสองอิติดังนี้อัญญบดปทัสสะแห่งบทว่าอิตากันเตเรอิติดังนี้จประโยคอัทวาอีกอย่างหนึ่งอัญญบดอัฏโธอัญวาฏว่าปุปปะธานคัฐานมนตเร ในระหว่างแห่งที่อันเป็นยอดแห่งที่เป็นที่รองซึ่งดอกไม้อัญมบทอิติดังนี้โจประโยคอัทโวอนวาดว่าปะคิโตใส่เขาแล้วอัญมบทิติดังนี้อัญมบ ท, ทัศษะแห่งบทว่าทีนโนอิฏิดังนี้โจประโยคสุทาปิณธิยะเถระวะัตุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่า สุธาปินทิยะอัญบทอาคตังมาแล้วทศสะมะวัคเคในวัคที่สิบอปทานสะแห่งอปาทานจะประโยคสุวันนะเจติยะวัดถุงปิแม้อันว่าเรื่องแห่งพระเจดีอันเป็นวิการแห่งทองพุทธวักเคกในพุทธวัคธรรมะปทัสสะแห่งพระธรรมบท อั ญ, ญบทปนิเตนะอันมันดิดกฐเทตาพังพึ่งกล่าวจบประโยค